ของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาณสังหอนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวิถีจิตในเรื่องของวิถีจิตนี้ท่านแสดงอุปมาเหมือนคนนอนหลับอยู่ใต้ต้นมะม่วง คือเหมือนอย่างว่ามีบุรุษผู้หนึ่งนอนคลุมศีรษะอยู่ที่โคนต้นมะม่วงที่กําลังมีผลกําลังหลับแต่ก็ตื่นขึ้นด้วยเสียงของมะม่วงผลหนึ่งที่ตกลงมาในที่ใกล้จึงได้อพ้าออกจากศีรษะลืมตาขึ้นมองดูก็เอามือจับผลมะม่วงนั้นคลําดูสูดกลิ่นดูก็รู้ว่าเป็นมะม่วงสุกจึงบริโภคและกลืนกินมะม่วงพร้อมทั้งเสมหักแล้วก็หลับไปใหม่ตัวอย่างนี้มาเทียบกับจิต เวลาของผวังขจิตก็เหมือนอย่างเวลาที่บุรุษนั้นกำลังหลับเวลาที่อารมณ์มากระทบประสาทก็เหมือนอย่างเวลาที่ผลมะม่วงตกลงมาเวลาแห่งอวัชนจิตคือจิตกำหนึ่งก็เหมือนอย่างเวลาที่บุรุษนั้นตื่นขึ้นด้วยเสียงของมะม่วงนั้นเวลาที่จักขวิญญาณเป็นไปก็เหมือนอย่างเวลาที่บุรุษนั้นลืมตาขึ้นมองดูเวลาแห่งสัมปติชนัตจิตคือจิตรับก็เหมือนกับเวลาที่บุรุษนั้นเอามือหยิบผลมะม่วง เวลาแห่งสันติรณจิตคือจิตพิจารณาก็เหมือนอย่างเวลาที่คลำดูด้วยมือเวลาแห่งโวธนวจิตคือจิตที่กำหนดอารมณ์ก็เหมือนอย่างเวลาที่สูดดมดูจึงรู้ว่าเป็นมะม่วงสุกเวลาแห่งชวนาจิตคือจิตที่แล่นไปก็เหมือนอย่างเวลาที่บริโภคมะม่วงเวลาที่จิตน่วงอารมณ์นั้นอันเรียกว่าตัถาลำพนจิตก็เหมือนอย่างเวลาที่กลืนกินผลมะม่วงนั้นพร้อมกับเสมหะ เวลาที่จิตตกผวังไปใหม่ก็เหมือนอย่างเวลาที่หลับไปอีกในขนาดที่อารมณ์มากระทบประสาทจนจิตตื่นจากผวังดําเนินไปสู่วิถีคือทางดังกล่าวมาแล้วถ้าอารมณ์ที่มากระทบนั้นเป็นอารมณ์ที่แจ่มชัดยกตัวอย่างเช่นว่ารูปมากระทบจากขูประสาทเป็นรูปที่แจ่มชัดและจิตก็รับมาอย่างเต็มที่ท่านสแสดงว่าอารมณ์เช่นนี้จิตดําเนินไปอยู่สิบขนาดจิต คือเมื่ออารมณ์เข้ามากระทบประสาทและกระทบเข้าไปถึงจิตที่กําลังตกภวังอยู่นั้นจิตก็เคลื่อนจะภวังเรียกว่าภวังคาจรณะนะและก็ตัดขาดจักรวังเรียกว่าภวังคาอุปัชเฉทานี้รวมสองขนาดจิตต่อจากนั้นจิตก็กำหนึงอารมณ์เรียกว่าอวชนะจิตอีกหนึ่งขนาดจิตต่อจากนั้นจิตก็เห็นหรือด้ยินอารมณ์อันเรียกว่าจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณเป็นต้นหนึ่งขนาดจิต ต่อจากนั้นจิตก็รับอารมณ์เรียกว่าปฏิจจัตชันนะอีกหนึ่งขนาดจิตต่อจากนั้นจิตก็พิจารณาอารมณ์เรียกว่าสังตีระนะอีกหนึ่งขนาดจิตต่อจากนั้นก็นกำหนดอารมณ์เรียกว่าโุตะถาวนาอีกหนึ่งขนาดจิตต่อจากนั้นจิตก็เล่นไปในอารมณ์เรียกว่าชาวนะอีก7ขนาดจิตต่อจากนั้นจิตก็นงอยู่กับอารมณ์นั้นเรียกว่าตถาลัมพนะอีกสองขนาดจิตรวมเป็น16ขนาดจิต แต่ว่าถ้าเป็นอารมณ์ที่อ่อนมากมากระทบประสาทกระทบถึงจิตทําให้จิตเคลื่อนไหวจากภาวังแต่ว่ายังไม่ตัดภวังจิตก็จะต้องตกภวังไปใหม่ไม่ออกมารับรู้อารมณ์ตามวิถีจิตดังกล่าวนั้นอารมณ์ที่แรงกว่านั้นจะมากระทบบางทีก็ดําเนินไปไม่ตลอดทั้ง16ขนาดจิตนั้นซึ่งกําลังลงในระหว่างก็ตกภวังในระหว่างเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่ปรากฏในจิตจึงไม่เท่ากันแต่ว่า ถ้าเต็มที่ก็ต้องดําเนินไปสิบหกขนาดจิตดังกล่าวมานั้นที่เรียกว่าขนาดจิตหนึ่งนั้นประกอบด้วยลักษณะสามคือหนึ่งอุปาทะเกิดขึ้นสองทิฏฐิตั้งอยู่สามพังคะทําลายหรือดับไปจิตที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเรียกว่าขนาดจิตหนึ่งหนึ่งขนาดจิตทั้งสิบหกขนาดจิตดังกล่าวมานั้นแต่และขนาดจิตก็ต้องมีเกิดมีตั้งมีดับและเมื่อขนาดจิตก่อนผ่านไปแล้ว ขณะจิตหลังก็เกิดขึ้นทยอยกันไปแต่หากว่าขณะจิตก่อนยังไม่ผ่านคือว่ายังไม่ถึงพังคะคือแตกดับขณะจิตหลังก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าจิตต้องดําเนินไปทีละหนึ่งขณะจิตเท่านั้นและท่านแสดงว่าสิเจขณะจิตเป็นอายุของรูปธรรมอันหนึ่งอันหนึ่งจะหมายถึงอายุของรูปธรรมที่ตัวรูปธรรมนั่นเองหรือว่าจะหมายถึงอายุของรูปธรรมที่ผ่านเข้ามาในจิตก็ยังไม่ได้ค้นให้แน่ชัด แต่ว่าอาจจะหมายถึงอายุของรูปธรรมที่ผ่านเข้ามาในจิตก็ได้คือว่าอย่างรูปที่มากระทบจากขู่ประสาทมาเริ่มเป็นภวังขจรณนะคือจิตเคลื่อนจากผวังเป็นต้นจนถึงตทาลำพณนะคือนวงอยู่กับอารมณ์นั้นรวมเป็น16ขนาดจิตดังกล่าวมาแล้วและท่านนับกับขนาดจิตนอดีตที่เป็นหัวต่อเชื่อมกันอยู่อีกหนึ่งจึงเป็น17ขนาดจิตถ้าเป็น17ขนาดจิตดังนี้ ก็รวมเข้าเป็นอายุของรูปธรรมอันหนึ่งอันหนึ่งแปลว่าอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางทวารทั้งห้านั้นก็นับว่าเป็นรูปธรรมทั้งนั้นดำรงอยู่ในจิตได้อย่างช้าที่สุดก็เพียง17บขนาดจิตหรือว่า1ิบหกขนาจิตดังที่กล่าวมาข้างต้นแต่ก็ต้องเป็นอารมณ์ที่แจ่มชัดถ้าให้แจ่มชัดก็ดําเนินมาไม่ถึงนี่เป็นอธิบายของวิถีจิตที่ดําเนินตั้งต้นมาจากปัญจทวารคือทวารทั้งห้า หน้าที่ของจิตแต่สําหรับมโนถวานนั้นขณะจิตมีช่วงสั้นกว่าเพราะว่าอารมณ์ในถวานห้านั้นเป็นอารมณ์ที่ปรากฏในปัจจุบันแต่ว่าอารมณ์ที่มากระทบมโนถวานนั้นเป็นอารมณ์เก่าเป็นมโนภาพที่เป็นตัวแทนของอารมณ์ที่เคยประสบพบผ่านมาแล้วไม่ใช่เป็นตัวแรกตัวแรกนั้นประสบทางถวานทั้งห้าเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าธรรมะหมายถึงเรื่องเมื่อธรรมะคือเรื่องที่ปรากฏเป็นมโนภาพ เป็นตัวแทนของอารมณ์ที่ได้ประสบพบผ่านมาก่อนเก่าแล้วเหล่านั้นมาผุดขึ้นมากระทบมโนทวารก็กระทบถึงจิตทําจิตให้เคลื่อนจากภวังเป็นภวังคขจลนะณะและตักจากภวังเป็นภวังขอุปัจเฉทะสองขณาจิตและก็เกิดอวชนาจิตคํานึงถึงอารมณ์ทางมโนทวารแต่ว่าอาวชนะจิตทางมโนทวา น, นี้มีค่าเท่ากับโวทะวัฒนาจิตคือจิตที่กําหนดอารมณ์เพราะฉะนั้น จึงได้เกิดชวนจิตคือจิตที่ลั่นไปทีเดียวแล้วก็เกิดตถาลําพาณจิตคือจิตที่นุงอารมณ์นั้นแล้วก็ตกผวังบรรดาจิตที่กล่าวมาเหล่านี้ท่านแสดงว่าจิตที่ดําเนินในวิถีตั้งแต่ต้นเมื่อยังไม่ถึงชวนจิตก็ยังเป็นจิตที่อ่อนยังไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลเป็นอพยากตะไม่ยืนยันว่าเป็นกุศลหรืออกุศลแต่ว่าเมื่อมาถึงชวนจิตคือจิตที่ลั่นไป ซึ่งมีเวลาอีกเจ็ดขณะจิตโดยมากจึงเป็นจิตที่มีกําลังเต็มที่และนับว่าเป็นกุศลอกุศลตั้งแต่ชวนะจิตนี้ลักษณะของจิต ด, ดังกล่าวมาแล้วนี้เมื่อกล่าวถึงจิตที่ปฏิสนธิในเบื้องต้นเรียกว่าปฏิสนธิจิตจิตที่เคลื่อนในที่สุดก็เรียกว่าจุดติดจิตเพราะฉะนั้นจึงเติมหน้าเติมหลังเข้าอีกสองรวมเป็นกิจคือหน้าที่ของจิตทั้งหมดก็เป็นสิบสี่คือ 1>, 1. ปฏิสนธิ 2. ภวังคะ 3. อวัชนะคำหนึ่งสทัศนะเห็น 5. สวนะได้ยิน 6. คขายนะได้กลิ่น 7. สายนะได้รส 8. ปดพุทธนะถูกต้อง 9. สัมปติฉันนะรับส0สันตีรณนะพิจารณา 11. วอตถาบวระหรือ โอตะทัพพนากำหนด12ชวนะแล่นไป13บสาตถาลัมพนะหน่วงอารมณ์นั้น14จุติเท่านี้วิธีทำสมาธิแถมท้ายวิธีทำสมาธิอย่างหนึ่งคือให้นั่งตัวตรงและน้อมจิตเข้ามาดูตนโดยปกตินั้นเราดูผู้อื่นแต่ว่าไม่ค่อยจะได้ดูตนคราวนี้ก็น้อมจิตเข้ามาดูตนเมื่อยังไม่ได้ดูเข้ามานั้น หายใจอยู่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรากำลังหายใจจนเมื่อใดเกิดหายใจขัดข้องขึ้นเช่นเป็นหวัดคัดจมูกจึงมาสนใจกับการหายใจหรือเหมือนอย่างว่าทุกๆคนก็มีท้องแต่ว่าก็ไม่สนใจในเรื่องท้องจนกว่าจะเกิดปวดท้องขึ้นจึงได้มาสนใจกับท้องเพราะฉะนั้นเมื่อกลับมาดูตนสิ่งแรกที่จะรู้สึกได้โดยง่ายก็คือรู้สึกว่าเรากาลังหายใจอยู่ซึ่งโดยปกติไม่ได้นึกถึงเพราะฉะนั้น ก็ให <Sm> <asthma> ้กลับมานึกถึงกำหนดสติอยู่ที่ลมหายใจมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหายใจเข้ายาวก็ให้รู้หายใจออกยาวก็ให้รู้หายใจเข้าสั้นก็ให้รู้หายใจออกสั้นก็ให้รู้กำหนดให้รู้กายทั้งหมดหายใจเข้ากำหนดรู้กายทั้งหมดหายใจออกคือให้รู้รูปกายว่าบัทนี้รูปกายของเรานั่งอยู่ด้วยอิรยาบดนี้ด้วยท่านี้ และมีขอบเขตเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาจนสุดศรีรษะเบื้องต่ำก็ตั้งแต่ปลายผมลงไปจนถึงสุดที่นั่งและที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เป็นอนณาเขตของรูปกายมีเท่านี้หรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็ยาววาหนาคืบและบัด น, นี้ก็กำลังนั่งอยู่ในท่านี้เมื่อเราดูให้รู้รูปกายของเราอยู่ก็ดูให้รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ก็เป็นกายส่วนหนึ่งเหมือนกันเวลาหายใจเข้านั้น ก็จะรู้สึกว่าลมผ่านเข้าไปทางช่องจมูกผ่านทรงอกไปจนถึงนาพีนี้ตามที่รู้สึกเท่านั้นจากนาพีมาถึงทรงอกแล้วออกมาทางจมูกนี่ก็เป็นขาออกแปล ว, ว่าตรวจ ด, ดูให้ทั่วคราวนี้ก็กำหนดดูนามกายคือสติของเราในบทนี้เป็นอย่างไรสัมปะชัญญะคือความรู้เป็นอย่างไรความคิดกำหนดเป็นอย่างไรดูให้รู้ทั่วหายใจเข้าดูให้รู้ทั่วหายใจออก เมื่อตรวจดูให้รู้รูปกายของเรานามกายของเราทั่วหมดแล้วก็มากําหนดจิตให้เป็นหนึ่งเพราะว่าการที่ตรวจดูนั้นสายใจไปไม่รวมเป็นหนึ่งฉะนั้นก็ต้องปล่อยการตัวรวมเข้ามาให้เป็นหนึ่งจะใช้จุดไหนถ้าชอบจะใช้จุดที่ริบพิปากเบื้องบนหรือว่าปลายจมูกซึ่งเป็นที่ลมกระทบเมื่อเข้าและเมื่อออกก็ได้และในขณะที่กําหนดนั้นจะนับลมหายใจไปด้วยก็ได้หรือว่าจะเบนับ จบริกรรมว่าพุทธโธหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทไปดังนี้ก็ได้วัตถุประสงค์ก็เพื่อรวมจิตให้เป็นหนึ่งและในการกําหนดจิตให้เป็นหนึ่งนี้ไม่ต้องการให้เป็นการเกินไปต้องการให้ผ่อนกายผ่อนใจผ่อนลมหายใจให้เป็นไปตามสบายและเมื่อลมหายใจละเอียดเข้าก็ให้กําหนดรู้อยู่เสมอมีความเพียรมีสัมปชัญญะความรู้มีสติความระลึกและคอยกําจัดความยินดีความยินร้าย ยินดีก็คือใจออกไปยินดีข้างนอกก็คอยกําจัดใจยินดีติดอยู่ในผลของสมาธิชั้นต่ำไม่ก้าวขึ้นไปก็ต้องคอยกําจัดใจยินร้ายคือไม่ชอบไม่ชอบใจการปฏิบัติก็ต้องคอยกาจัดหรือว่าคิดออกไปไม่ชอบเรื่องข้างนอกก็ต้องคอยกําจัดประคองจิตให้เป็นหนึ่งอยู่และเมื่อหัดทำดังนี้ก็ได้ชื่อว่ารำอาณาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออก เป็นการหัดทำสมาธิอย่างหนึ่งก็จะเป็นเครื่องรักษาใจสงบสบายดีหลักการจำแนกจิตได้กล่าวถึงจิตจำแนกไปตามกิจคือหน้าที่คือจิตโดยปกติก็อยู่ในผวังเมื่อตื่นขึ้นจากผวังแล่นไปในอารมณ์ตามวิถีก็แบ่งชื่อเรียกตามหน้าที่ไปโดยลำดับจนตกผวังไปใหม่ดังที่แสดงแล้วแต่ว่าการแสดงจิตดังกล่าวนั้นยังแสดงเป็นส่วนรวมยังไม่ได้แยกออกให้หมดว่า เป็นกุศลเป็นอกุศลหรือเป็นอัพยกฤตเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทราบประเภทของจิตตามแม่บทนั้นท่านจึงแยกจิตไว้ตามแม่บทดังกล่าวหลักของการจำแนกจิตว่าเป็นอย่างไรนั้นหลักสาคัญอยู่ที่เหตุหกประการคืออกุศลเหตุเหตุฝ่ายอากุศลได้แก่โลภะโทสสะโมหะกุศลเหตุเหตุฝ่ายกุศลได้แก่อโลภะคือความไม่โลภ อโทสะคือความไม่โกรธอโมหะคือความไม่หลงจิต ท, ที่ประกอบด้วยเหตุฝ่ายอกุศลก็เรียกว่าอากุศลจิตจิต ท, ที่ประกอบด้วยเหตุฝ่ายกุศลก็เรียกว่ากุศลจิตส่วนจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุทั้งสองนี้เรียกว่าอัพยากตจิตคือจิต ท, ที่ไม่พยากรว่ากุศลหรืออกุศลเป็นจิตกลางๆนี้เป็นหลักใหญ่ในการจําแนกจิตว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าเพียงเท่านี้ก็ยังละเอียดไม่พอ จึงมีเกณฑ์จำแนกเป็นหลักย่อยต่อไปอีกได้แก่ 1. เวทนาความสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอุเบกขาคือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุข 2. อญาณคือความรู้ถูกหรือว่าทิฏฐิคือความเห็นผิดรู้ผิด 3. ส, สังขารคือเป็นจิตที่เกิดขึ้นด้วยตนเองหรือว่าเป็นจิตที่ไม่เกิดขึ้นด้วยตนเองต้องมีการส่งเสริมกระตุ้นเตือน เกณฑ์ด้วยทั้งสาประการนี้เป็นเกณฑ์จำแนกจิตให้พิสดารออกไปทั้งฝ่ายกุศลทั้งฝ่ายอกุศลยกตัวอย่างในฝ่ายอกุศลก่อนจิตที่รักว่าเป็นอกุศล น, นั้นต้องเป็นจิตที่มีโลภะเป็นมูลมีโทสะเป็นมูลมีโมหะเป็นมูลนี้เป็นหลักใหญ่ทั่วไปคราวนี้ในการประกอบอกุศลของคนผู้มีจิตเป็นอกุศล น, นั้นบางคราวก็ทําไปด้วยโสมนัตคือยินดีเช่นการฆ่าสัตว์บูชายัญ มีความเชื่อว่าได้บุญหรือจะทําไพ่เทพโปรดปรานเมื่อทําไปก็มีสมนัสคือยินดีแต่ว่าในบางคราวก็มีโทมนัสคือยินร้ายเช่นมีเหตุจําเป็นต้องให้ทําบาปแต่ก็จําต้องทําหรือว่าการทําบาปของบุคคลผู้มีจิตประกอบด้วยมูลคือโทสะจิตที่มีโทสะนั้นเป็นจิตไม่แช่มชื่นเป็นจิตที่เดือดเป็นจิตที่คุณก็เรียกว่าเป็นโทมนัสคือใจไม่ดี เป็นโทมนัสเวทนาอันหนึ่งการทันบาปของบุคคลบางคนบางทีก็ประกอบด้วยทิฏฐิความเห็นผิดซึ่งเห็นว่าทําบาปได้บุญดังที่กล่าวมาแล้วในเรื่องของการบูชา ย, ยันนั้นแต่ว่าในบางคราวก็ประกอบไปด้วยยานคือความรู้ถูกคือรู้ว่าเป็นบาปเหมือนกันแต่ว่าก็ทําเช่นว่าทําเพราะลุกอำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงโลภขึ้นมาทั้งรู้ว่าบาปก็ทําเพราะต้องการจะได้แต่ว่า ก็มีฌานคือความรู้เหมือนกันว่าเป็นบาปจิต4ประเภทอาศัยเกณฑ์ดังกล่าวนี้จึงได้แบ่งจิตออกไปมากมายถึง89ดวงแต่ว่าเมื่อจะสรุปลงแล้วก็ได้เป็น4คือเป็นกา ม, มาวจรจิตจิตที่ยังลงในกามหนึ่งรูปาวจรจิตจิตที่ยังลงในฌานมีรูปเป็นอารมณ์หนึ่งอรูปาวจรจิตจิตที่ยังลงในฌานมีอรูปเป็นอารมณ์หนึ่ง โลกุตรจิตจิตที่เป็นโลกุตระคืออยู่เหนือโลกหนึ่งสรุปลงก็เป็นสี่หมวดกามาวัจรจิตจิตที่ยังลงในกามนั้นเป็นจิตสามัญที่ยังมีความยินดียินร้ายอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นฝ่ายกุศลหรือว่าโสพณะคืองามก็มีเป็นฝ่ายอากุศลหรืออโศพณะคือไม่งามก็มีเป็นฝ่ายอัพยกฤตก็มี อาศัยหลักที่กล่าวมาข้างต้นนั้นรูปาวจรจิตจิตที่ยังลงในฌานมีรูปเป็นอารมณ์นั้นก็มีแก่ฌานจิตที่มีรูปเป็นอารมณ์อรูปาวจรจิตจิตที่ยังลงในฌานมีอรูปเป็นอารมณ์นั้นก็ได้แก่ฌานจิตที่มีอรูปเป็นอารมณ์โลกุตตรจิตนั้นคือมรจิตผลจิตของพระอริยบุคคลทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันในตอนนี้ควรทราบข้อบตเตเลตคือ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 พระอาหารหันต์ท่านก็ยังเข้าฌานในบางครั้งเข้ารูปฌานบ้างอารูปฌานบ้างอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกิริยาจิตอีกเหมือนกันในชั้นรูปและอรูปและตามหลักของท่านนั้นถือว่าบุคคลที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องมาเกิดด้วยกุศลกรรมความเป็นมนุษย์เป็นกุศลวิบาก ค, คือผลของกรรมดีเพราะฉะนั้นเมื่อจัดเข้าในจําพวกจิตดังกล่าวการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาเกิดด้วยกุศลจิตที่มีอโลมะอโทสะ อมหะเป็นมูลถ้าประกอบด้วยจิตที่มีโลภะโทสะโมหะเป็นมูลแล้วก็จักไม่มาเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดต่ำกว่าแต่ว่ากุศลจิตที่เป็นส่วนเหตุอันนํามาให้เกิดนี้ของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นพื้นอัธยาศัยของแต่ละบุคคลจึงต่างกันดังเช่นบางคนมีอัธยาศัยใหญ่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บางคนมีอัธยาศัาคยคับแคบตรณีเหนียวนั่นคนที่มีอัธยาศัยใหญ่นั้น ก็เนื่องมาจากกุศลจิตในส่วนที่เกี่ยวแก่ทานที่ได้ทาไว้มากคนที่มีอัธยาศัยคับแคบนั้นก็เนื่องด้งวยกุศลจิตอันเกี่ยวกับทานได้ทําไว้น้อยอันหนึ่งบางคนมีนิสัยเมตตากรุณาก็เนื่องมาจากกุศลจิต ท, มมที่ได้อบรมมามากในศีลในเมตตากรุณาบางคนมีนิสัยโหดร้ายก็เนื่องมาจากกุศลจิตที่ได้อบรมมาในศีลในเมตตากรุณาที่มีจํนานวนน้อยรวมความว่าที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้น ต้งเนื่องมาจากกุศลจิตทั้งนั้นสุดแต่ว่ามากหรือน้อยกุศลจิตที่เป็นส่วนเหตุอันได้ทําไว้แล้วก็จะส่งผลให้เป็นวิบากจิตคือจิตที่เป็นวิบากส่วนผลที่จะถือกําเนิดเกิดต่อไปหรือว่าในปัจจุบันนี้เองที่ปรากฏเป็นพื้นอริยาศัยนิสัยของจิตนี่จัดเป็นจิตที่เป็นส่วนวิบาก ค, คือผลก็เนึ่องมาจากจิตที่เป็นส่วนเหตุและจิตที่จะเป็นส่วนเหตุทั้งฝ่ายดี ทั้งฝ่ายชั่วดังกล่าวมานี้ต้องเป็นจิตที่มีกําลังจนถึงชวนจิตรหรือจิตที่เล่นไปคือที่ปรากฏกุศลมูลเต็มที่ปรากฏอกุศลมูลเต็มที่ปรากฏเจตนาที่จะประกอบกรรมเต็มที่จึงจะเป็นจิตที่เป็นส่วนเหตุในทุกๆฝ่ายแต่ว่าถ้าเป็นจิตที่ยังไม่ถึงชวนะก็ยังไม่จัดว่าเป็นกุศลหรืออกุศลอย่างไรสักว่าเป็นกิริยาคือเป็นการดําเนินทํานองเป็นอัตโนมัติไปตามกลไกของจิตเท่านั้น และลักษณะเช่นนี้ก็จัดว่าเป็นอพยายตะจิตที่เป็นวิบากทั้งปวงถ้าเป็นวิบากของอกุศลท่านจัดว่าเป็นอพยายตะสําหรับคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะถือว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยอํานาจกุศลจิตต่างหากไม่ใช่ด้วยอํานาจอกุศลจิตคือวิบากของอกุศลจิตไม่มีกําลังแรงเหมือนกุศลจิตที่เป็นส่วนเหตุนั้นการแสดงเรื่องจิตในอภิธรรมตามหลักที่กล่าวมานี้ เป็นการสรุปหลักเกณฑ์กว้างๆแต่ว่าจะไม่จำแนกเพราะเมื่อจำแนกแล้วก็จะต้องจดต้องจำกันจริงๆไม่ใช่เพียงพูดฝังแล้วก็จะกำหนดไว้ได้โปรดติดตามรับฟัง45ภรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป